พี่ก็ยังยิ้มชิ่นตอนรับการกลับของเธอตาพี่ยังว่างอกพี่ยังอุ่นสเสมอตานจะกลับมาเธอเธอที่ลงละเมอเพื่อเฝ้าไฟฟฝันแม่ น้ำตาลคนแก้วเขาชิมเจ้าแลว้วพี่ก็ขอรักมันถึงจะเลือดเด่นเพราะผ่านคนชิมมานานแสนนานพี่ก็ยังต้องการลองรับรสหวานน้ำตา ในช่วงนี้เราจะมาฟังนักร้องลูกทุ่งชายเสียงดีน้ำเสียงนี่หวานไพเราะดุดน้ำตาลก้นแก้วเป็นนักร้องผู้ที่เปิดตำนานนักร้องจากแดนสุพรรณค่ะและทำให้เกิดนักร้องลูกทุ่งตามมามากมายนั่นก็คือคุณกาญแก้วสุพรรณค่ะ ก้านเนี่ยมีชื่อจริงนะคะว่าคุณมงคลหอมระรื่นมีชื่อเล่นว่าแดงท่านเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะครอบครัวเนี่ยเดิมมีฐานะยากจนจึงถูกนำมาฝากเลี้ยงต่อมาก็ได้มาเป็นบุตรบุญธรรมของพระครูหลวงพ่อวัดสามชุกก็ทาให ได้มีโอกาสเล่าเรียนศึกษาจนจบปอสี่แล้วก็มาทำงานต่อที่กรุงเทพแต่การที่จะมาอยู่กรุงเทพได้ต่อ น, นั้นก็ต้องกลับมาบวชเป็นสา ม, มเณรเสียก่อนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บวชยาวจนถึงอายุ17ปีหลังบวชได้ไม่นานเนี่ยต้องการออกมาหาไรายได้ค่ะให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงสึกออกมาแล้วก็ทางานมาเป็นกระเป๋ารถเมร์แล้วก็อยู่มานานนะคะก็เริ่มทำหลายอย่างนะทั้งชกมวยและระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนก็เห็นว่าก้านเนี่ยเสียงดีก็เลยผลักดันให้เหมือนก็ถีเข้าไปประกวดอะประกวดแบบจำใจก็เลยพอไปประกวดก็สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ แล้วก็เห็นว่าเออจริงจริงเนี่ยนะร้องเพลงนี่มันสบายกว่าชกมวยนะแล้วฉันจะไปเจ็บตัวทําไมล่ะก็ไปร้องเพลงประกวดไปประกวดมากวาดมันทุกเวทีจนกระทั่งกรรมการน่ะเขาขอร้องว่าอย่ามาประกวดเลยหนูหนูประกวดที่ไ่หนูชนะทุกทีเลยขอให้มาเป็นกรรมการตัดสินแทนได้ไหมและนั่นแ่ละค่ะก่เริ่มเข้าสู่วงการเพลง เพราะว่าเขาเห็นว่ามีคุณครูเปราะชื่นประโยชน์ก็เลยไปสมัครงานดูอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้ไปเทสเสียงแล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับครูเพราะว่าไปปัดกวาดเช็ดทูสารพัดค่ะจนครูเนี่ยรับเป็นเป็นสิทธิ์เอกแล้วก็ร่วมวงกับครูอยู่เสมอครูเนี่ยนะคะก็แต่งเพลงให้เพลงหนึ่ง ก็ชื่อว่าคนชาวนาะแต่ก็ยังไม่ค่อยดังอะคะ่ะต่อมาค่ะการแก้วสุพัรเนี่ยก็ได้มาร่วมงานกับสุรพลสมบัติเจริญพองศรีวรนุชและตอกย้ำความดังมากๆนะคะกับวงประกายดาวทำให้งานของเขาเนี่ยโห รับกันไม่หวัดไม่ไหวอะค่ะท่านผู้ฟังคือดีเจแอมว่านะคนดวงมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะแล้วก็บ้านปลายชีวิตเนี่ยก็หันมาจับ ก, กิจการด้านอาหารด้านจัดสรรที่ดินแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะในด้านของชีวิตก็มีลูกสาวนะคะอยู่ คนหนึ่งก็คือชื่อน้องกว่างแล้วก็ต่อมาเนี่ยคุณก้านแก้วสุพรรณเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่ออายุ75ปีแต่ถึงกันนั้นนะคะก็ยังมีคนเนี่ยนิยมฟังเพลงของก้านแก้วสุพรรณอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเพลงน้ำตาลกล้วแกงคอยหลงกรุง กระท่อมดวงใจลาแล้วแก้วตาอกหักพ่อรักคุณแต่ในวันนี้ช่วงแรกก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแก่งคอยกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาฟังสิ่งดีๆที่ดีเจแอมจะฝากในช่วงต่อไปค่ะ ทางสามแพรงดูใจเหมือนแกล้งเลคนโอ้แกงคอยรักลอยลวงข้าช้ำทนอยู่อย่างเบื่อเหมือนดังเล่นคนเพราะพี่เป็นคน เชียวแต่น้ําใจเจ้าลึกล้นจนใจจริงเจียวสูดยจางค้นวนลายเกลียวเลี้ยวไหลตามใจตรงกานแกงคอยวิคอยเหมือนดังชื่อแกง เกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชาญโอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียรอยเงาวร้าวรานสิ่งเก่าเก่าเผ า, าจะให้ไปนานโอ้ชาญกระท่มแกงคอย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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์วันนี้ค่ะ DJM นะคะอยู่กับคุณนรง์สงจันทร์ค่ะซึ่งจะมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์สวัสดีค่ะคุณนรงค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําชื่อนามส ก, กุลที่อยู่บา้านเลขที่เลยค่ะค่ะที่นรงคสงจันทรือบา้านเลขที่63 64ทับ3 กระบวนการทางเมืองจังหวัดนครสวรรค่ะแล้วคุณนรงค์คะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบร์อะค่ะคุณนรงค์มีอาการปวดหรือชามือหรือเมือม่อเนื้อเมื่อตัวตรงไหนบ้างเล่ า, าให้ละเอยียดนิดนึงค่ะอือมันมีอาการปวดขาแล้วก็ทํางานมากๆมันก็ค่อยเจ็บเหนื่อยแล้วก็ตุ่มันบวมแล้วก็เป็นความบันแล้วก็มีอาการ ธรรมดาแบบที่มันเป็นไปนั่นเนี่ยมันมันยังไงมันโดดไม่ถูกอะ่ะคือเราเวลาทำงานมากๆมันจะมีอาการเหนื่อยแล้วก็เพลียแล้วก็สายตาก็ไม่สวีดีมองแล้วฟก็ฟ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กินได้ใช้อย่างอย่างี่ฟังแค่ยั่วแล้วก็ลองลองตื้อกินดูมันจะมีอาการเหมือนจะดี มันก็ค่อนข้างแย่ดีวะนะจะว่าจะดีก็ยังไม่เชิงแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่าใช้ไม่งานเท่าไหร่อ่ะยังไปชุดเดียวมั้งอย่างเงี้ยแล้วก็แต่น้ํามันก็ดีหาไปแล้วมันเบาตานพออย่างก็สมมติว่ามันปวดมากๆแล้วก็ทาก็หน่อยดีนิดๆหน่อยๆมันก็อาการดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าจะหายก็ยังอะนะแต่มันก็แต่แตมันก็ดีขึ้นอนะ่ะ <c oughs> จะพูดยังไงอ่ะนะ แบบทุกวันนี้ก็ใช้ไอ้น้ำาันอะใช้ประจำแล้วก็ยาก็กินแต่ว่ายาก็เป็นเจไดเอามาชุดแรกอะนะมันก็จะหมดแต่ละแต่สง่งไม้ชุด ท, ที่แล้ที่เป็นสาวสั่งให้เ็นเจ ก, ก, กินมั่งแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นคนกินยาช้างหน่อยอะนะผู้เป็นโรไม่ใช่ยาที่ยาเป็นเ แล้วเราใช้น้ำมันอะมากหน่อยแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีเหมือนยังไงอ่ะมันดีขึ้นเน่ะแต่ว่าแต่ว่ามันยังนั่นเล้งก็ไป่เชิงแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะเราพูดไปตามแตตามความเป็นจริงก็จะอีกอย่างนึ่งน้ำมันอะดีมากเราชอบน้ำมันน้ำมันอะดีแต่ยางก็ดีดีทุกอย่างอะไรแต่ว่าดีขึ้นอ่ะ ค่ะแล้วคุณลุงอมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ฟังคนอื่นไหมครับอ๋ออย่างเงื่อนั้นถ้าใครเป็นอย่างเราเนี่ยที่ยังคิดคุยให้ฟังเนี่ยนะเนี่ก็พูดอย่างด้วยความจริงเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราก็ทดลองดูเขาเขาก็ก็ดีนะมันว่าดีนะถ้าเป็นอย่างเราขอใทดลองดีเราใช้อยู่ยแต่เราก็เคยใช้อย่างอื่นมามันก็อย่างนั้นแหละแต่ไม่อันนี้ไม่ขอพูดเราเราก็ทดลองไปในหลายอย่างแล้ว แต่ว่าของบุญไม่มใช่นะมากๆเลยแหละแต่ว่าไม่รู้มันก็ไม่แพงนั่นแหละเราเป็นแเราใายถูกใช้หาใมันก็ไม่แพงแล้วของแค่นี้มันไม่ไม่เท่าไหร่ครับดิว่าอย่างว่าก็ขอทุกคนทาเป็นอย่างที่เราพูดเนี่ยแต่ขอลองลองทดลองดูโดยจะเป็นบุญเป็นกุศลของแต่และุคคลเราก็ไม่รู้นะหนึ่งพูดโดยความสัดจริงแต่ว่า คนบางคนก็นยังว่าน่ยเขาก็คิดว่าไอ้ของนึงเนี่ยมันแต่เราเชื่อนะสัพพุเป็นโ ต, โต้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณณรง์สงจันทร์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นขอบคุณมากค่ะชาหมือน ช, ชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูนลไบรล์ยำ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 ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเงินยวงภูนเพิ่มกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะป้านเงินยวงเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอายุหกสิบเจ็ดแล้วค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะตีสองทับหนึ่งค่ะค่ะหมู่สองทับหนึ่งค่ะหมู่อะไรตำบลอะไรคะหมู่แปดตำบลหัวดงอำเภอเก้าเลี้ยวค่ะ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะเก้าเลี้ยงนครสวรรค์ น, นะคะค่ ะ, ะคุณป้าเงินยวงนี่เออเป็นอาการเอ่ออะไรมาก่อนที่จะใช้มูลไรอ่ะค่ะปวดเหนือต้นเนี่ยค่ะตรงข้อตีนข้อเท้านี่ค่ะปวดมาหลายปีแล้วค่ะปวดมานานแล้วเนี่ยแล้วฟังมูลไบเอ๊ะกันโกงกระโลกไหนก็ถังตัว จ, จองไปชุดนึงแล้วค่ะ ทานหมดไปแล้วตอนนี้มันเบาเบาเยอะเบาเยอะก็ต่างอิดนะคะที่เบาเยอะเนี่ยอาการไหนที่มันหายไปบ้างอาการมันบวมบวมข้อเท้าแล้วก็โปตรงต้นเท้านะคะค่ะ ม, มันยุบค่ะ<อ>บวมปวมตรงต้นเท้าโปมันยุบแล้วมีอะไระที่ดีขึ้นคะก็ดีค่ะไปตรวจเป็นเบาหวานเป็นไขมันโรคหัวใจเนี่ยค่ะกระเบา ไปไปตรวจนะค่ะข่ามันลดค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เดินเหินสบายขึ้นอ่ะเดินสบายแล้วค่ะอ๋อก็คืออาการดีขึ้นแล้วคุณป้ามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยมันได้ผลแบบเนี้ยราคาแพงไปไหมไม่แพงเลยค่ะเตีแต่างชุดเล็กเลยตั้งแต่งชุดใหญ่เลยค่ะอืมไม่แพงเลยค่ะเธอทานมาว่ากว่านี้แล้วแพงกว่านี้กระฐานมาแล้วค่ะ ไม่ได้ผลเลยไม่เคยได้นานเลยไม่หายไม่อะไรเลยค่ะเนี่ยมาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆเลยค่ะค่ะค่ะทางรายการมูลไบรท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าเงินยวงพูนเพิ่มเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะค่ะค่ะน้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยนี้สกัดจากสมุนไพรเกือบยี่สิบชนิดยกตัวอย่างเช่นเท้าตีนเป็ดเครือสรรพคุณเนี่ยเขาแก้ปวดเมื่อย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 ฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมหวังพวงสมบูรณ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเสียงแหบหน่อยนะคะเป็นหวัดค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้แนะนําเอชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะชุณชื่อสมหวังพวงสมบูรณ์อยู่บ้านหัวดงหมู่สี่อำเภอเก้าเลี้ยวในใจตัวนี้แล้วดีมากค่ะค่ะเดี๋ยวอจังหวัดอะไรคะเกลี้ยวค่ะ ออแอาการกระหวังค่ะค่ะเอ่ออาการเดิมของคุณป้าสมหวังเนี่ยเป็นอะไรมาจ๊ะเกิดอุบัติเหตุแล้วไหลห ล, หลุดแขกกระดูกแตกแล้วก็ทํากินไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็หลังมันตรวจมากเลยก็ ว, ว่าปีเนี้ยคงปัดอ้อยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้แอืมเออลงมากินตัวนี้ไปตังจากวิทยุว่า ใช่ลดความลดอะไรก็ม่สิดหายได้ก็ลองลองเอามาดูค่ะค่ะตัว น, นี้ไม่แพงอะค่ะค่าไม่แพงเลยพอกินแล้วเขาไปตัดอ้อยกลางคืนนะก็ไปกับเขาได้ค่ะอืมค่ะแต่มันยังเจ็บอยู่แต่ก็ไปได้อืมแล้วอาการที่แบบว่าปวดมาก็คือทุเลาบ้างมากขึ้นทุเลาค่ะทุเลาออืใช้ยาทาด้วยค่ะ ก็ก็เบามากขึ้นนะคะเบามากขึ้นแล้วก็มาลองหยุดเนี่ยได้ได้กินแต่ลวันเนี่ยมันเป็นโรคอบด้วยแต่พอกินตัวนี้ไปแล้วมันไม่เป็นค่ะมันไม่เหนื่อยไม่อะไรจนคนเขาบอกว่าบาเบามางนะจะทำอะไรหนักหน า, า, า, าก็เราทำเรารู้ว่าเราทำได้แล้วไม่เหนื่อยค่ะค่ะจเลยมาบอกเับแป็นว่าไม่ไหวแล้วต้องกลับไป สังง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสั่งเขาแล้วป้าสมหวังมีอะไรจะฝากกับคนที่มีอาการเป็นแบบป้าเนะี่ย <c oughs> เคยรถชนอะไรแบบเนี้ยค่ะให้ทุกคนไม่ต้องตีว่าแพงนะคะฐานได้เลยตี้ดีมากเลยไม่ได้เป็นหน้ามาให้นะคะไม่ได้อะไรเลยแต่พูดความจริงอยากบอกทุกคนเป็นเราตืินหวังแลว้วว่ะเมื่อยาอะไรก็เอาเราไม่ได้เลย แต่กลับมาได้ตัวนี้ขึ้นลูกศิษจะดีขึ้นมากเลยค่ ะ, ะแขนที่ยกหลังตั้ี่ไม่ได้หลังเป็นหลัง่ะยกไม่ได้โอ้โหมาตินตัวนี้ยกได้ค่ะดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 ดงบ้านโพตำบลตำบลหัวดงอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณป้าบอยอายุเท่าไหร่คะอายุหกเจ็ดค่ะหกเจ็นะค่ะป้าบอยนี่ก่อนจะมารู้จักกมูลไบรท์ป้าเป็นอะไรมาคะปวดหัวเข่าค่ะ ปวดมากี่ปีคะพึ่งจะเริ่มเป็นอ๋ออ๋ะแล้วปวดหั ว, วข่าวอย่างเดียวเหรอมีอย่างอื่นไหมอ่าปวดหัวข่าวอย่างเดียวอืมพึ่งจะเริ่มเป็นไม่ถึงปีเนาะไม่ถึงปีค่ะแล้วป้ามารู้จักกมูลไบรท์ได้ยังไงอะคะฟังวิทยุคะ่ะอืมฟังวิทยุก็ประกาศ ถินสัมภาษณ์คุณหนองกุก็ว่าก็เป็นเหมือนกันไปนั่งทข้าห้องน้ำมานั่งหงายท้องมันตึงไงแล้วมันปวดหัวเข่าข้างเดียวนี่ก็ได้ยินเขาสัมภาษณ์แล้วก็ทดลองเอามากินกระปุกนึงแล้วดูมันรู้สึกว่ามันเบาไงก็เลยสั่งอีกกระปุกเนี่ย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 ที่ปากน้ําโทไปฝังเข็มเข้าหายกันป้าก็ไม่หายไปที่คลินิกก็ไม่หายไปจนอ่อนใจแล้ว่คิดว่าไม่รักษาตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าหายที่คลองไฟไงพอดีมาฟังวิทยุขึ้นมาได้ยินก็ <c oughs> เลยโทรสั่งเอามากินกินแล้วมันก็รู้สึกว่าเบามันดีขึ้นค่ะ <c oughs>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 กความก็ไม่สำคัญแต่ความสัาพันธ์ของเรามันคงเรื่อยไปความใกล้กันคนละฝั่งของต่างไม้ป้องนองมุ่งหวังทั้งสองจนได้ ด้วยความใฝ่ฝันนั้นสุดหัวใจปักฟังสวงในเหมือนใจเดียวกันทั้งสองฟังกันกลางเวยสายนทีแต่ประเนีนนั้นบ่ตา โปรดคิดปราณีจงอย่าได้มีวันหา่าอย่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจางปักฟังชีวิตเหลือนาทีสั้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไร์สัจนจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์วันนี้หา DJM นะคะอยู่กับคุณสุกัญญาบุญแฝงค่ะซึ่งคุณสุกัญญานะคะมีความประทับใจค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรทนะคะและจะมาแสดงความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีจ้าค่ะแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่เลยค่ะ จ่าดิฉันเี่ตุ่ยเป็นยาผมแสงจ่าบ้านเลขที่สามร้อยเก้าทัพเกตอำเภอเก้าเลี้ยวตำบลเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จ่าคุณป้าสุกัญญาคะก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไรายอะค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อป้าปาเป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็ปวดขาปวดข้อปวดเท้ามันก็ปวดตํากระดูกกระโหลกปวดมันก็ทรมานเลยเนาะเป็นมาหลายปีอะ กินยาล้องกินเรื่อยไหมแต่มคันงเราพอเลิกพอเรากินมันก็หายพอเราเลิกกินมันก็มาอีกแต่ป้าเลยลองลองวนไปดูฟังคำประกาศนานแล้วลุงนั่งื้อมาที่นี่เท่ยนงมากินแบ่งกันเลือดกินไปแล้วแต่มันมันจ็ยังไม่ค่อยรู้แต่รู้ว่าตื้อพดีกินคนละหน่อยสั่งมาขวดเตี๋แล้วก็แบ่งกันครึ่งนะไม่เลยกินไปมันก็หายแล้วโดยคนในลุงเป็นหนังลุงปวด ก็เลยเอาไปยงไปตักมามาให้ลงกิงลงก็บอกเขาเบาเาเลไม่เดเลยนะเดินเอียงกันเอยียงในละเขาเป็นมากอันนี้เขาก็ไม่ค่อยเชื่อแตยงไงละกินไปเขากบนว่าขี้เกียจขีอยากนอนอันนีพอพอกินอกกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกนกหายวะนี่เขาเป็นในเกณฑ์ระจำเลยใ น, กนเกนั้นไม่มาเลยอะไรอย่างี้จะมามาวัดมอวัดมาตอนเ้าเนี่ยพอ ตะิ้วก็ไม่มาวะ่ะรับแถไปเลยเกื่วันเขาจะขับรถไปเลยไกลด้วยเนี่ยตะคิ้ก็ไม่มาวะ่ะก็เลยต่างที่แตพี่แฟนก็เอามาให้กินกับในนู้นนะบางเวลาดีบางคนก็ดีนะลงุลงลุ ง, งกินของยากโอเคตะคินวยากมากเลยแต่นีพอนั่นหลุดฝาปวกประจาเดือนตาฝัางางาง่งนี้ปวดประจำเดือนไม่ได้ ป้าก็อย่างอะไรนะอยากเต้นตัวอะไรร่างกายแล้วป้ามอเขาจะดีเนี่ยป้าเลยฝั่งเมื่อไหร่จ้าป้าแล้วเอ่อจากที่ป้าดีขึ้นมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ป้าทําอะไรได้มากขึ้นหรือหรือเดินไกลหรือทำอะไรได้มากขึ้นบ้างจ้าป้าก็ทำงานตามปกติ่ะเพราะเช้าป้าก็ต้องไปเ้าว่ป้าจะไปไหวแต่เย็นป้าจะแย่เลย ตรงาบอกคุณองว่าเย็นนะปาจะาแล้วต้องให้ลูกเขาหลานเลี้ยงดูกาลงไหนเลี้ยงไขนวดไข้แต่ตอนนี้ม่ต้องเรียเขาเวดเอล้ป้านั่งเดินนั่งทนอนทานี่ของป้าได้ต้องจะต้องเ่ด้วยป้านอนนะนอนยังไม่หลับเลยนอนนะมันก็มันนอนไม่ได้อะมันเตื่นต้องรื้เคาะหาเรียเขาว่ามบีบ้คุณป้าใช้ชุดอะไรบ้าง นะคะแล้วทานออนานหรื อ, อยังอ๋อปลาต่างชุดใหญ่ชุดเลนะ็กไม่ลงก่อนนะแต่ปาต่างปล า, าไม่ชุดหนึงคนละชุดเลยจะเป็รโยงกันตาคกินมาได้สักอาทิตกกย์นนะึงเนี่ยมั้งานะแต่ลงกินมานานแล้วหมดไปหบดไปขว ด, ขวดกึงกับที่โบราณชาเนี่ยนะเอาหมดไปแล้วเลยขวดนึงเนะี่ยก็เนี่ยเราก็กินกินไปเยอะเลยแต่กะว่าคงขายเลยนะ บอกว่าบอกว่าทมในงาแล้วป้ากินบรรยาพิษแล้วป้ากับไม่ต้องให้ใครไม่เหยียบแล้วคือว่ามานอนได้คือป้าคิดว่ามันมันเห็นผมไวหน่อค่ะแล้วป้ามีอะไรที่จะฝากกับผู้ฟังทางวิทยุมั้งไหมคะ อ, อ๋อปลากะจะคนที่เป็นหนอนป้าเนาะเป็นเนบาหวานด้วยเป็น ป, ว ด, ว, ปนวดแง่งปวดขาปวดกระดูกนะละลองกินดูป้าคิดว่ามันดีเนี่มันถูกและมันไม่แพงอะไรนักหนาะป้ากินได้คนที่มความได้ไม่แร น, น้องกินได้กินดีมาก วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุกัญญาบุญแฝงเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบร์แล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากกัอ่อาาะชามื่นาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบร์จ้ำ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณรัตนามากสิริพรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะเราชื่อรัตนามากสิริพรค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งห้าห้าทับสามค่ะหมู่สองค่ะตําบลตำบลเก้าเลียวอยู่นคสวรรค์ออําเภอเก้าเลียวจังหวัดนครสวรรค์อะจ้า ค่ะคุณรัตนาคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกระมูลไบรทนี่เป็นอะไรมาคะปวดขาค่ะปวดขาปวดเข่าที่น่ะปวดหลังที่นี่แบบบางทีมันเดินไม่ได้เลยออืเดินไม่ได้่ะบมันเดินเวลวเวลาต้องเวลาจะลุกทีต้องยันน่ะเราไปดีได้ฟังอยู่บาหลายมันเบาอยู่แบบมันมันเรียนแล้วนะค่ะที่มันมาฟังเห็นมาฟังฟังทำผ้าเห็นทาผ้าทำผ้าอยู่ เลยก็ <Okay. S 2> ลองลองกินก็ลองกินดูแล้วโทรมาหาโทรมาสั่งเลยพอ ก, กินพอกินแล้วมันก็เบาค่ะ <c oughs> กินแล้วค่อยยังชั่วที่หมดก็เดยก็ซื้อสั่ ง, งใหม่เนี่ยเออกินแล้วค่อยยังชั่วนี่ดีอะไรที่ดีขึ้นบ<ด>้าง ด, ดีขึ้นแบบขาวก็พอพอเดินได้จ้ะแต่ก็ยังเสียวๆอยู่อืมที่สั่งไปมันเป็นชุดเล็กนะจ้าค่ะ <c oughs> แล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะหกสิบจ้ะหกสิบเวลาที่เดินไม่ได้หรือว่าเดินแล้วเสียวขาเนี่ยค่ะแล้วคุณป้ามองว่าราคาเป็นยังไงพอได้ไหมไดไม้ไม่แพงเลยบ่ใส่บ่ได้เลยเนะี่ยกินกินกินได้เลยเนี่ยดีดีดอืมค่ะถ่ะเดี๋ยวขอพูดกักสาวหน่อยได้ไหมคะก็ะได้จ้กาาะกวางอ่ฮะฮัลโหลค่ะค่ะ ค่ะเอ่อคุณน้องนี่เป็นลูกสาวของคุณรัตนาใช่ไหมคะค่ะเป็นลูกสาวจ้ะอ่าถามนิดนึงนะคะชื่อชื่ อ, อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกวางจ้ะอ่าชื่อคุณกวางนะคะคุณกวางคะเอ่อก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาใช้มูลไบรท์เนี่ยเห็นบอกว่าอาการแย่มากเลยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาเดินไม่ค่อยได้แล้วที่บ้านมีหลานเล็กด้วยมีลูกเล็ก เขาก็เดินจับหลานไม่ท hmm. hmm. hmm. ันไม่ได้เดินไม่เดินเลยเขาก็ได้แต่เรียกแล้วที่เขาก็เวลาจะไปไหนต้องเอาโต๊ะมาให้ตัวหนึ่งแล้วค่อยๆจับแล้วก็ค่อยๆลุกแล้วเดินไปไกลก็ไม่ไหวเขาแล้วเวลาจะเดินไปไหนต้องมีคนเกาะคนหนึ่งแล้วพอกินยามูลไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นขาแข็งเขาเดินได้ไกลขึ้น เดินได้เลยจากเดิมพี่ตจะต้องพึ่งคนอื่นตลอดถูกไหมใช่จ้ะเดี๋ยวนี้เดินได้ด้วยตัวของเขาเองใช่จ้ะเขาก็เดินได้เองเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้ก็พอจับหลานได้บ้างจ้ะพอจับหลานได้พาหลานออกไปนั่งเล่นข้างหน้าบ้านได้จากตอนแรกไม่พาเลยเอนั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าหลานคลานหรือว่าหลานวิ่งก็คือเรียกอย่างเดียวเรียกอย่างเดียวใช่จ้ะ ถามคุณกวางตรงๆเลยนะคะคุณแม่เป็นแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้คุณกวางดีใจไหมดีใจก็เขาบอกว่าสั่งให้หน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาชุดใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากให้หมดจีอืมค่ะ เ, เขาดีขึ้นแล้วก็อะไรที่ดีก็อยากให้เขากินอืค่ะแล้วคุณกวาง ม, มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังวิทยุไหมคือบางคนเนี่ย เขาสั่งมาเยอะลองมาหลายอย่างแล้วแล้วก็เป็นแบบคุณแม่แต่ไม่ดีขึ้นกลัวว่าสั่งของมูลไรท์ไปเนี่ยทานแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันมันก็ไม่ดีหรอกคุณกวามีอะไรจะบอกเขาอ่ะคะก็ช่วงแรกนะคะ่ะเหมือนยาขับตอนแรกหนูก็ว่าตอนแรกเหมือนเขาจะไม่หายเหมือนกันนะคะแต่พอกินไปได้สองวันเขาก็ดีขึ้นเลยนะเหมือนขับสารพิษออกจากร่างกายอ่ะ ฝากท่านผู้ฟังไว้เลยนะคะบางคนเนี่ยใช้ของมูลไรท์ไปช่วงแรกมันจะมีอาการหลากหลายบางคนสารละตัวเยอะเขาก็จะหมดแรงคือเหมือนกับว่าร่างกายมันตับมันกําลังคือมันสะอาดแล้วมันก็ต้องการการพักฟื้นมากขึ้นมันก็จะต้องการการนอนที่มากขึ้นหรือบางคนเนี่ยปวดเส้นหนักมากเพราะว่าเส้นมันตึงมาหลายสิบปีพอดึงมันล้างมันก็ดีขึ้นมันก็จะปวดก่อนช่วงแรก แต่ตอนหลักตอนหลังเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะออแล้วบางคนเนี่ยกลัวโดวนหลอกกลัวว่าโอ้ยสัางไปเดี๋ยวไม่ได้เรื่องหลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลอกแม่ะคะ่ะเพราะว่าแม่คุณแม่หนูลองแล้วหนูเชื่อเลยตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วทีนี้พอคุณแม่ลองทุกเชื่อเลยจะ้ะว่าดีขึ้นนวดจินมีครบเลยจะ้ะอืมคือของที่นี่ถูกมีหลายหลายอย่างนะคะ ก, ก็ไม่สูงมาก ใช่แล้วกินแล้วก็ได้ผลด้วยค่ะอยากให้ลองดูเพราะว่าที่อื่นอาจจะดีหนูก็เคยเคยลอ ง, งแต่ก็ไม่ดีอ่ะจ้ะแต่กินของมูลไ้แล้วเขาดีขึ้นค่ะอืมค่ะค่ะทางรายการมูลไบนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณรัตนามาศิริพรและลูกสาวคือคุณกวาง นะคะที่อยู่ตำบลเก้าเหลียวอำเภอเก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบคุณมากค่ะที่มาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟังนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะช่อมือช่อท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมุนไบร์จำ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 ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าทําไมบางคนเนี่ยขากรอบนะคะคือเข่าโค้งนะคะขาโค้งออกเนี่ยสาเหตุหลักที่ทําให้ขาโค้งเนี่ยก็เกิดจากเส้นตรงบริเวณข้างหัวเข่านะคะมันจับก้อนนะคะใหม่ๆเนี่ยคนไข้จะตึงนะคะตึงบริเวณ เ, เส้นข้างหัวเข่าน ะ, ะบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากเนี่ยงอเข่างอขาไม่ได้เลยนะคะ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 ท้องน่องด้วยนะคะแล้วบริเวณข้างน่องด้วยบริเวณนั้นเนี่ยเส้นมันจับก้อนหมดแล้วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลไว้รวมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนของมูลไว้ร่วมด้วยเนี่ยอาการดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารับประทานไปเรื่อยๆรื่อยๆเนี่ยหากว่ากระดูกยังไม่โค้งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มขาตรงได้นะคะแต่ถ้า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 0 8 1 3 9 4 6 9 7 7 0 8 1 3 9 4 6 9 7 7หรือ0 8 8 5 4 5 3 5 1 5สหสหห้า ผมตรมสศรดินก็เหมือนเช่นเรารักเขาหนักหนาเขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นม า, มาบอกเขาเถิดดินผาข้าค้อ เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ